การถอดถอนสีขาวบทเล็กน้อยว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลหลายๆด้านเกี่ยวกับการถอดถอนสีขาวบทเล็กน้อยมีคนส่งลิงก์ส่งข้อมูลมาให้อ่านมาให้ฟังมีพระสงฆ์หลายรูปได้แสดงทัศนะเรื่องการถอดถอนสีขาวบทเล็กน้อยว่า เมื่อพระองค์ทรงตัดบอกไว้ว่าดูก่อนอานนุ์หากสงหวังอยู่ว่าสีขาบทเล็กน้อยเหล่าใดสงพึงปรารธนาเพื่อการถอดถอนก็พึงถอดถอนได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้กับพระ อ, อานุนแล้วภิกษุบางรูปได้แสดงทัศนคติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ภิกษุหรือว่าสงค์เนี่ยถอดถอนสีขาบทได้ทําไมสงไม่เคารพในคํา ของพระศาสดาในาทำข้อนี้ว่าสิขาบทบางอย่างที่เราไม่สามารถยึดถือในยุคนี้ได้ก็ควรถอดถอนกันเสียเพื่อให้ความเป็นอยู่ของสงฆ์ดําเนินไปได้โดยง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสไปแล้วพระองค์เป็นนักเสรษฐีภาพเนี่ยคือแสดงทัศนคติทุกอย่างมาเพื่อที่จะนํามุง่งประสงค์เพื่อการถอดถอนสิขาบทนั่น น, น, นี่คือหลักการหนึ่งหลักการที่2ก็คือเป็นทัศนคติ จากครูบาอาจารย์บางเหล่าหลายๆเหลาเา่าหรือเหล่าไหนก็ตามหลายๆที่ทั้งฝ่ายอภิธรรมบ้างทั้งฝ่ายนักปฏิบัติบ้างบอกว่าการที่ภิกษุใช้สิ่งของบางสิ่งที่ไม่เหมาะต่อความเป็นสมณะเพศเช่นโทรศัพท์และมีการใช้ Facebook แต่อันนี้ เฟซ e ุ o กไลฟ์เนี่ยก็ใช่ก็คืออยู่ในขายหนึ่งที่อาตมามีส่วนร่วมในการใช้ตัวนี้ Facebook Live เฟซบุ o กไลฟ์เพจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการใช้ในลักษณะของการไม่อยู่ในขอบเขตของธรรมวิในเขายกตัวอย่างมาว่า หน้าที่ของพระภิกษุมีเพียงแค่2ประการคันธทุระกับวิปัสนาทุระเรียนธรรมและประพฤติ ธ, ธรรมนะพูดได้ง่ายส2อย่างเรียนธรรมคือคันะวิปัสสนาคือประพฤติให้เห็นแจ้งรู้จริงอันนี้คือหน้าที่ของพระไม่ใช่มาทําหน้าที่อะไรอย่างนี้เนี่ยเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่าเป็นการถอดถอนสิขาบทของพระพุทธเจ้าออกไปโดยไม่ได้คํานึงถึง คำที่พระมหากรสปะได้ประกาศไว้ท่าการสงฆ์ว่าเราจะไม่ถอดถอนสิข้าบทที่วงทรงบัญญัติไว้จะไม่บัญญัติในสิ่งที่วงทรงบัญญัติจกไม่บัญญัติในสิ่งที่วงไม่ทรงบัญญัติจกไม่ถอดถอนในสิ่งที่วงทรงบัญญัติไปแล้วข้อเพียรเนี่ยเขาเรียกว่าเถรลาวะาเป็นเป็นฝ่ายเถรลาวะจริงๆพระพุทธศาสนามันไม่มีเถรลาวะไม่มีหีนิยานอ่ะมันไม่มีอ่า ไม่มีมหายาญยางเงี้ยหรือไม่มีนิกายไหนๆหรอกอันอันนีนน้กายนั้นอ่ะถ้าจะพูดถึงนิกายนะมันยังไงอ่ะมันเป็นลทัทธิไปแล้วขเขาว่านิกายนะแต่พระพุทธเจ้าอนุญาตนาณ า, าสังวร ก, การประพฤติแตกต่างกันได้อาจจะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันไปอาจจะไม่ยึดถือสีครับบทคล้ายๆกันหรือเหมือนกันหรือเป็นไปในทางเดียวกัน แต่มีความเป็นอยู่ร่วมกันได้นาน า, นาแปลว่าความต่างสังวัตแปลว่าการอยู่ร่วมถึงแม้จะมีความต่างแลยก็อยู่ร่วมกันได้แต่พระองค์ก็บอกอีกว่าห้ามอุโบสถร่วมกันอย่างเงี้ยห้ามการกราบไหว้อย่างเงี้ยและห้ามสังกรกรรมบางอย่างตรงเนี้ยมันก็คือแม้จะพระพุทธเจ้าจะ อ, อนุญาตนานาสังวัตไว้ ก็จริงแต่ก็ยังมีข้อห้ามที่จะทําร่วมกันเพราะว่าความแตกต่างกันเมื่อมากระทํากิจสังครรมร่วมกันแล้วมันจะเกิดการไม่ลงรอยกันผมก็บอกว่าให้ต่างคนต่างทําแต่ให้รู้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้นในความหมายไม่เพ่งโพดกันไม่ว่าร้ายกันกล่าวร้ายกันทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าที่พระเจ้าทรงตรัสบอกว่าหากทรงหวังอยู่เพื่อถอดถอนสิ ข, ขาบุตร เล็กน้อยสงก็พึงถอนได้ตรงเนี้ยคือไม่แน่ใจว่าคำพูดนี้จะตรงกับพุทธพจน์หรือเปล่าแต่เป็นการพูดในลักษณะโบหานของอาตามาเองในคำนี้ว่าสงวังอยู่พึงถอนถอนสิข้าบเล็กน้อยได้ตรงเนี้ยในในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสงในยุคของาพระมหากัสปะาจะไม่ อะไรไม่สนใจในคำนี้นะเขาก็สนใจกันนะพระสงฆ์ที่ทำสังคยาาในคราวครั้งแรกห้าร้อยรูปที่ทำสัตบุญนักบูหาโดยพี่มีพระมาหากรสปปิประทานเมื่อสังคยาณาทำมวินัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมถอดถอนสีขาวบทเล็กน้อยนั้นนะ่ะอา น, น์ได้ถามพระเจ้าไหมว่าอะไรคือสีขาวบทเล็กน้อยพระนลก็บอกว่าไม่ได้ถาม อะไรคือสีขาบทเล็กน้อยเราสังเกตให้ดีนะนั่นหมายถึงว่าพระมหากษัตริยเนี่ยกําลังจะประชุมสงเพื่อถอดถอนทำมัมมี่ในอยู่คือกําลังถอดถอนสิีขาวบทอยู่ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ประสงค์จะถอดถอนนะท่านก็เอื้อเฟื้อต่อคําของพระพุทธเจ้ามากพระมหากษัตริยนี่เคารพพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งคือก็เคารพทั้งหมดแหละคือความความอย่างยิ่งอ่ะแต่ว่าความที่พระมหากษัตริยเป็นประธานน่ยต้องใส่ใจ สำคัญกว่าอย่างอื่นสําคัญกว่าพิสูรรูปอื่นพราะท่านเป็นประธานสงฆ์ถ้าจะต้องใส่ใจในคําของพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมก็ในเมื่อพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่าสงถอดถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้นั้นนั่นหมายถึงว่าพระมหากษัตริยจะต้องนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ห้าร้อยลูปเพื่อถอดถอนแต่เกิดปัญหาตรงที่ว่า พาาระอนนท์ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสีขาบทเล็กน้อยตรงเนี้อะไรคือเล็กน้อยไม่ได้ถามทีนี้ไม่ได้ถามมันก็เลยเกิดความคิดกนันในหมู่สงนั่นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อพาาระอนนท์ไม่ได้ถามว่าอะไรคือสีขาบทเล็กน้อยสงทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าลูกรูกที่ห้าร้อยคือมหากรสป่าเป็นประธานเนี่ยก็บอกมาลงความเห็นกันว่าอะไรคือสีขาบทเล็กน้อย พวนะกเราก็มาลองพิจารณากันดูอะไรคือสีขาบทเล็กน้อยอย่างนี้คือพระมหาคสปะพูดกับพระสงฆ์ในเวลานั้นที่นี้สงฆ์บางกลุ่มบางกลุ่มในใน4ี่ร้ยเ้าหรือห้าร้อยน่ยสมบางกลุ่มก็บอกว่าทุกกฎทุกภาิีเป็นสีขาบทเล็กน้อยบางกลุ่มก็บอกว่าปาจิตตีทั้งหมดทุกกฎทุกภาิีและปาจิตตีทั้งหมดคือสีขาบทเล็กน้อยบางกลุ่มก็บอกว่า นิสคีอปาจิตีส0สิบแล้วก็ปาจิตีเก้าสิบสองแล้วก็อะไรทุกกฎกับทุกภาสิทธิในเสกีวัตรทั้งหมดเนี่ยจดสิบห้าถือว่าเป็นสิขาบทเล็กน้อยบางกลุ่มก็บอกว่าทั้งแต่สังคารที่เสษลงมาถือว่าสิขาบทเล็กน้อยหมดอย่างเงี้ยปรากฏว่าในพิกสุสงฆ์สี่้อยเกสิบ้า รูปที่ห้าร้อยคือพระมหากรสปะไม่สามารถลงความเห็นกันได้ว่าสิขาบทเหล่าใดเป็นสิขาบทเล็กน้อยลงความเห็นกันไม่ได้คิดดูว่าพระที่ทำการประชุมกันในเวลานั้นห้าร้อยรูปเป็นพระอารหันต์ล้วนแล้วก็ไม่ใช่ล้วนธรรมนานะ ปปไปด้วยปฏิสัมพิทายานันซหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์แบบด้วยปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทานี่คือความเฉียบแหลมแล้วนะคิดดูว่าพระอรหันต์ห้าร้อยรูปที่เฉียบแหลมที่สุดแล้วในเวลานั้นนะเลิศกว่าพระอรหันต์ยุคนี้เป็นร้อยร้ยเท่าพันพเท่าเลิศกว่านะพูดง่ายมหากรสปะพระอนุรุทธะพระอานุนทะ อุบาลีพระโอมีแต่รู้สึกจะเป็นอสีติด้วยมั้งอสีติมหาสาวพกผู้ใหญ่ด้วยมั้งประมาณเนี้ยนะคือมีแต่เลิศเท่านั้นเลยพระอรหันยุคนี้ไม่เท่าที่ฝุ่นของปฏิสัมพิธายานอรหันยุรุ่นแรกเลยนะมันมันมันคนละไกกับคนละยอดเลยเรื่องความเฉียบแล้วมานะทีนี้ปรากฏว่าระดับพระอรหันย์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้น่ลงความเห็นกันไม่ได้ว่าศีรขาบทเล็กน้อยคืออะไร ต่างคนก็ต่างแสดงแง่คิดไปคนละแง่คนละมุมคิดดูพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานันซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดยังไม่รู้เลยว่าอะไรพื้นสีขาวบนเล็กน้อยแล้วคนยุคนี้ครูบาอาจารย์ภิกษุและคณาจารย์หลายท่านมาลงความเห็นว่า อะไรคือสีขาบทเล็กน้อยได้อย่างไรใช่ไหมแล้วมากล่าวหาว่าพิกสุได้ทําการขอถอนสีขาบทเล็กน้อยนั้นแล้วโดยการใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้ Facebook แล้วก็ใช้อ่าอะไรใช้อะไรที่มันผิดผิดเล็กน้อยเล็กน้อยนะในความหมายนะเขาบอกว่าการใช้เหล่านี้ถือว่าเป็นการขอถอน ดูเหมือนว่าการพูดอย่างนี้เป็นการพูดโดยขาดการขบคิดหรือขาดการพิจารณาอย่างยิ่งขาดการไข้ควรอย่างยิ่งท่านเป็นถึงคณาจารย์ที่คนทั้งหลายประพฤติทำด้วยเยอะแยะแต่ก็เป็นการพูดแบบเหมือนกับขาดปัญญาจะพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะมากเกินไปท่านมีปัญญามากแต่เวลาพูดออกมาเนี่ย เหมือนกับเป็นการลงความเห็นด้านเดียวเนี่ยเองเนี่ยทำให้ผูธศาสนาเราไปด้วยกันไม่ได้คือภิกษุเนี่ยในกลุ่มที่มุ่งจะถอดถอนเนี่ยอาตมาถือว่าผิดแหละต้องให้พนมพรมาดูแล้วฮะ<า>มีการหยุดตนนี้ดั ีอะไรมากวนหือ่สัญญาณไม่ดีพุทธวิสัยของพุทธองค์หนึ่งผู้พผู้ผู้ก่อตัอง้งศาสนาขึ้นมาคือเป็นผู้บัญญัติธรรมและวินัยขึ้นมาแน่นอนว่าพระองค์เป็นผู้บัญญัติแม้แต่คำกล่าวว่าสงหวังอยู่เพื่อการถอดถอนสิคราบบุเล็กน้อยก็พึงถอนได้อย่างเงี้ยอันนี้พระองค์ก็บัญญัติ ให้ถือว่าเป็นข้อบัญญัติอันหนึ่งแต่ม่ใช่บัญญตัติตายตัวนะคือเป็นบัญญตัติบัญญัติเพื่อเพื่อยังไงอะผ่อนคลายการความตึงเครียดในการรักษาสีขาบทนะพระองค์ทรงมองเหตุการณ์อนาคตออกอยู่แล้วอะให้ผ่อนคลายการตึงเครียดในการรักษาสีขาบทเข้าใจเข้ามาผ่อนคลายการตึงเครียดหมายถึงว่า เป็นการโพูดให้ภิกษุเบาใจในขณะที่เป็นผู้รักษาศีรษะบทเพราะธรรมะมีในที่วงทรงบัญญัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบัญญัติเหมือนกับว่ า, าจําไว้ว่าในครั้งพุทธการอ่ะในขณะที่วงทรงบัญญัตินเนี่ยบางอย่างบางอย่างที่พระวงทรงบัญญัติไว้แป๊ะเนี่ยเมื่อภิกษุมาขอร้องว่ า, าการที่อย่างเช่นพระมหาการจายนะทรงลูกศิษยนะ์ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วไปกราบทูลพระทองค์ว่า ในชนบทนั้นมีภิกษุไม่ครบ10บรูปพอที่จะอุปสมบทได้ขอพระองค์จงลดหย่อนจํานวนภิกษุลงแล้วประธานอนุญาตให้ภิกษุห้รูปทำการอุปสมบทได้ด้วยเถิดพู้เจ้าก็ลดหย่อนลงเห็นไหมลดหย่อนลงอ้าวอนุญาตภิกษุในชนบทนั้นเดินไปตามพื้นถนนที่แตกไร้แหงและเต็มไปด้วยกีบโพเทา้ามีอาภาษคือกีบโพเวลาหน้าแรงมาเนี่ยเคยเดินไหม เดินตามพื้นดินที่มีรอยเท้าโค้ไม่โอ้มันเจ็บมากแล้วมันแทงแทงเท้าอัตมาเคยเดินโดยไม่ใส่รองเท้ามันเจ็บมากโอ้มีหน้าหรอพระมหาการเจรณาถึงขอร้องพระเ้าให้อนุญาตให้ใส่รองเท้าเนี่ยแต่ก่อนไม่มีพู้ได้ทานอนุญาตให้ใส่รองเท้าพระองค์ก็อนุญาตในขณะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เนี่ยภิกษุไหนทูลขอร้องพระองค์ให้ลดทอนบัญญัติในข้อบัญญัติบางอย่างลงพระองค์ก็ลดทอนได้แต่เมื่อพระองค์ไม่ทรงพระชนอยู่เลยทีนี้ ตรเนี้ยพง์ก็เลยโพูกับพระอา น, นุ์ไว้ว่าหาสงบังอยู่เพื่อถอดถอนสีขาวบทก็ถอดถอนได้แต่จริงๆอ่ะไม่ได้ประสงค์ให้ถอดถอนแต่หมายถึงว่าให้ลดหย่อนการตึงเครียดในการรักษาสีขาวบทนั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่พอจะทําการผ่อนคลายการรักษาสีขาวบทที่มันตึงเครียดเกินไปก็ให้ผ่อนคลายลงในความหมายของพระองค์เป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้พระมหากรส ป, ปะก็ก็เข้าใจตามพุทธประสงค์อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะเข้าใจแต่อย่างไงก็ตามท่านก็ยังทําหน้าที่นําคำภาพรบรรยัพคาดำหลัดของพุทธองค์ว่าเมื่อสองมับงอยู่ก็ถอดถอนก็ประชุมกันให้ถอดถอนแต่ก็ออกตกลงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งขาบทเล็กน้อยก็เลยประกาศว่าเราจับไม่ถอดถอนนะก็ยอมรับเหตุยอมมีความยอมรับและก็มีความเห็นร่วมกันว่าเราจับไม่ถอดถอนอย่างเงี้ยแล้วก็เลย สืบมาจนถึงวันนี้แล้วการที่ภิกษุบางรูกกระทาผิดในพระวินัยบางอย่างการทำผิดในพระวินัยนั่นน่ะเขาไม่เรียกว่าถอดถอนนะเขาไม่เรียกว่าถอดถอนเขาเรียกว่าทำผิดคารทำผิดโดยภิกษุก็ยอมรับความผิดที่ตัวเองทำเขาไม่เรียกว่าถอดถอนแต่คณาจารย์บางเหล่าเนี่ยมําเรลงว่าภิกษุเนี่ย ทำการถอถอนเองอย่างเงี้ยการทําผิดเช่นพิกสูตัดอย่าเนี่ยยาขึ้นเต็มไปหมดพิสุตัดตัดเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ไปสารภาพโทษตัวเองกับพิสูตอีกรูปหนึ่งพทษก็ลังับไปอันนี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการถอถอนสีขาบทแต่เป็นการทําผิดสีขาบทการทําผิดสีขาบทกับการที่มุ่งประสงค์จะถอนแม้ไม่ได้ทําผิดเลยแต่มุ่งประสงค์จะไปถอนเนี่ย อันนี้ผิดผิดผิดพระเจ้าไหมไม่ได้ผิดพระเจ้าไม่ได้ผิดที่คําพ่อบัญญัติของพระเจ้าแต่ผิดในการประชุมสงฆ์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อพุทธเจ้าละชีวิตไปสงฆ์มีอานาจที่สุดสงฆ์เป็นอํานาจสูงสุดในความเป็นอยู่ของหมู่สงฆ์ในศาสนานี้นะในในศาสนาในหมู่ของอสงฆ์เนี่ยพระภิกษุเนี่ยสงฆ์มีอานาจสูงสุดเพราะฉะนั้น เมื่อทำผิดผู้ได้เจ้าไม่สามารถชี้ถูกชี้ผิดในตัวบุคคลนั้นได้อีกคือไม่ได้สามารถบอกว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกได้อีกไม่ไม่ไมยืนวิสัยและพงผลิธิภานไปแล้วแต่สงเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดและสงที่ชุดชี้ถูกชี้ผิดไปแล้วก็วคือสง์ในยุคเริ่มแรกก็คือพระมหากรสปะและก็พระอรหันต์ทั้งหลาย49่กรูปนั่นแหละ ที่ได้ชี้ถูกชี้ผิดไปแล้วที่ถูกคืออะไรจักไม่ถอดถอนในสิ่งที่พงษ์ทรงบัญญัติไว้แต่ทีนี้ในคณราจารบางเหล่าที่บอกว่าเอาคําที่ว่าจักไม่ถอดถอนเนี่ยมาใช้กับการทําผิดของพระ พ, พิสุในสี่ข้าวบทบางข้อว่าการที่พิสุทำํำความผิดเช่นใช้ Facebook ใช้โทรศพัพท์ใช้อะไรที่มันไม่มีในพุทธธรรมญาติแล้วไปใช้เพื่อการสื่อสารหรือเพื่อแม้กระทั่งความบันเทิงหรือเพื่อสารลาความรู้อะไรต่างๆ นานาซึ่งเป็นเป็นกิจของโยมไม่ใช่กิจของพระภิกษุที่ใช้นะ่ะเขามองว่าเป็นการขอถอนสีขาวบทของพระเจ้าไม่ยอมรักษาสีขาวบทไม่เอื้อเฟื้อนในธ่รามวาินัยนั่นเท่ากับว่าพูดโดยที่ขาดการขรบคิดและกัดขาดการไต่ตรองพิจารณาภิกษุที่ใช้โทรศพัพท์หรือเ Facebook อยู่ท่านไม่ได้ขอถอนสีขาวบท ท่านอาจจะกระทำผิดในชั้นของอากายสมาจาร์คือกิริยาของการใช้ที่คล้ายขาลือหัดที่เป็นประดุ์ดังคลือหัดกายสมาจาร์ในข้อนี้หากว่าขาลือหัดเราใดเห็นว่าภิกษุใช้โทรศัพท์แล้วมันไม่เหมาะไม่ควรในกรณีใดๆก็ตามภิกษุขลือหัดนั้น พึงนำเรื่องนี้ล้องเรียนต่อสงฆ์แล้วให้สงฆ์พิจารณาว่าภิกษุควรใช้หรือไม่ควรใช้ตามการล้องเรือนตามการล้องเรีย น, ยนให้เหมือนกับคำกรุการที่นางวิสาขาร้องเรียนพระพุทธเจ้าว่าภิกษุไปเล่นน้าไม่เหมาะไม่ควรไปเล่นน้าอย่างนั้นพุทธเจ้าก็มาบัญญาาัติห้ามให้ล้องเรียนอย่างนั้นไม่ใช่มาพูดเพ่งพูดพลธานาว่าเก่าโจรกันออกสื่อ บอกว่าพี่สู่ทาอย่างเงี้ยเป็นการถอดถอนสีขาวบทของผู้ได้เจ้าทําผิดพระธรรมวินัยไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยแล้วบวชเข้ามาทําไมมันคนละคือท่านออกมาพรธนาว่าเก่าโดยไม่ทําตามหลักการพร้องกันส่งเรื่องนี้ไปถึงแก่คณะสงฆ์แล้วสงฆ์ก็พี่ณารู้ว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้อัตมาก็เห็นว่าไม่ควรใช้มาตั้งแต่แรก แ, แรกๆแล้วก็เห็นว่าไม่ควรใช้แต่อัตมาไม่สามารถ ระ ง, งับการใช้ได้เพราะอะไรเพราะต้องรอคาสั่งจากสงฆ์คือสงฆ์ที่เป็นใหญ่ทางฝ่ายการปกครองที่เขาประกาศออกมาไม่ควรก็ไม่ควรอย่างเงี้ยถามว่าในหมูน่นี้ในหมู่สงฆ์นี้เขาเห็นว่ายัางไงเขาขยันเห็นว่าควรอยู่ไงแต่เราต้องฟังสงฆ์ส่วนใหญ่ก่อนด้วยว่าสงฆ์ส่วนใหญ่เขาว่าอย่างไรในข้อนี้หากมีกรณีของโยมล้องเรียนมา แต่โยมพวกนี้เป็นคณาจารย์ท่านนี้ท่านไม่ได้ร้องเรียนไปที่สง์แต่มาโพธนาว่ากล่าวพระพิสุสงฆ์อาตมาว่าการทําอย่างเงี้ยแต่จะทำให้าศาสนาไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นท่านมีจุดประสงค์ดีหรือมีความตั้งใจดีที่จะชี้ถูกชี้ผิดหรือว่าแสดงออกถึงหลักธรรมหลวงวินยัยอันเนี้ยขออนุโมทนาในความเจตนาดีแต่การทําอย่างนั้นไม่ได้ทําให้าศาสนาดีขึ้นการทําให้าศาสนาดีขึ้นต้องแจ้งเรื่องต่อคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อแจ้งต่อคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วให้คณะสงฆ์นี้ตัดสินออกมาเป็นประกาศที่จะใช้ร่วมกันว่าหลักการอย่างนี้ยังในศาสนาของเรานี้ภิกษุสงฆ์ไม่เหมาะไม่ควรแก่การใช้โทรศัพท์สื่อสารานเนื่องด้วยอะไรก็ว่าไปที่นี่ว่าเป็นคล้ายขลือหัดเป็นประดุดดังผู้บริโภคกา ร, รเป็นประดุดดังบุคคลผู้ครองเรือนหรือ สิ่งที่ใช้เป็นสิ่งที่มีทรัพย์มีค่าอย่างเงี้ยก็ก็ชี้แจงไปอย่างนี้แล้วประกาศใช้ใช้ร่วมกันอย่างนี้มันถึงจะถูกศาสนาถึงจะเป็นนิที่ทางอันเดียวกันตัวเนี้ยถึงจะถูกต้องแต่การมาโคนทนาว่ากล่าวกันอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ถูกออกสือ่อออก YouTube ก็มีออกอะไรก็มีทีนี้พิสูจผู้ทําผิดนะทำผิ ด, นะผดแต่ไม่มีเจตนาที่จะถอดถอน แต่การทำผิดโทษเป็นของพิสูจผู้ทำผิดนั้นแล้วพิสูจนนั้นแสดงโทษพิสูจก็สามารถออกจากโทษได้พระองค์เคยทรงตรัสไว้ว่าสีขาวบทที่สถาคด ท, ทรงรบัญญัติไปแล้วพิสูจเหล่าใดผู้ประพฤติตามสีขาวบทได้อย่างอ ย, าอย่างยาบคืออย่างหย่อนที่สุดเช่นละเมิดแล้วรู้ว่าตัวเองผิดก็ออกจากโทษนั้นโดยการแสดงโทษของตัวเองต่อพิสูจนรูปอื่นก็ละงับโทษ แล้วก็ทำผิดอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงโทษตัวเองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะการประพฤติอย่างหย่อนนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียผลอะไรคือความเป็นมันในการรักษาศี้าวบทไม่มีหมายถึงว่าเขายังสามารถดีได้ในศาสนานี้นั่นคือแบบหย่อนแบบกลางาพระองค์จึงตัดว่า การทําแบบหย่อนก็ได้ผลแบบหย่อนการทําแบบปานกลางหมายถึงว่ารักษาสีขาวบทแบบปานกลางคือรักษาไว้แบบปานกลางในทํานองที่ผิดแสดงอาบัตแสดงโทษแล้วก็งดเว้นนั้นอีกไม่ไม่ทำอีกและมีการพัดบาพาดในการทําแล้วก็แสดงโทษแล้วก็งดเว้นอีกในการทำงัน้นแบบหยาบแบบกลาง อันแรกแบบย่อนอันนี้แบบกลางเขาก็ยังได้ผลแบบปานกลางเยอะน้อยก็ได้เป็นสากัดทาคามิผลอันแบบย่อนน่ะได้โสดาปฏิผลอันแบบย่อนแบบปานกลางเนี่ยได้สากัดทาคามิผลอันแบบที่รักษาได้อย่างสูงสุดแบบสมบูรณ์เขาก็ย่อมได้รับผลอันไพบูรณ์อนาคามีหรืออรหันต์และได้วิชาสามอภินญาหกปัง้งเนี่ย นั่นหมายถึงผลอันที่จะเกิดขึ้นรักษ า, ษาสิกขาบทแบบย่อนก็ได้ผลแบบผลแบบย่อนเ <c oughs> ข้าใหญ่บอกเหมือนกับโยมเนี่ยเอาพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าทุกคนต้องมีสี่ห้าบทระดับชาวบ้านอุบาสกบาสิากาชาวบ้านเราที่นับถือพุทธศาสนาพพุทธเจ้าได้อบอกไว้ว่าทุกคนต้องมีศี่ห้าททุกคนฮะไม่ได้บอก ถึงการบางเทาวก็มารักษาจะไม่แ8ดข้ามหรือสิบห้าข้ามเอาแบบย้อนก่อนแบบย้อนคือแปดข้ามกับสิบห้าข้ามสมาทานสิบห้าแบบปานกลางก็แปดข้ามสิบห้าข้ามสมาทานสิบแปดแบบสูงสุดคือสมาทานตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความสมัครใจแต่ไม่ได้ไปถอดถอนเขาไหมละ่ะไม่ได้ถอดถอนการทําผิดกับการถอดถอนมันก็ละอย่างถอดถอนหมายถึงว่าเจตนาที่จะถอดถอนเลยอันนั้นอ่ะทําผิด ในเถระว่าเขาเรียกว่าวาทะของพระเถระของพระปะหากรสปะการทำผิดอย่างเงี้นทำผิดในหมู่สงฆ์ในการปกครอ ง, องสงฆ์ในยุคของเถรวาดมาการถอดถอนที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในยุคสมัยของอาการทำสะพานนาครั้งที่สองที่ภิกษุวัดชีบุตรอันนั้นอนะ่ะประสงค์จะถอดถอนจริงๆภิกษุใช้เงินใช้ทองได้อย่างเงี้ยอันนั้นคือประสงค์จะถอดถอนจริงๆ ใช้เงินใช้ทองได้ชันอาหารอยู่นั่งอยู่กับที่แม้ตะวันเที่ยงแล้วไปก็ชันอาหารได้โดยที่ไม่ได้ลุกจากที่ตะวันเลยไปนะเลยเวลาเที่ยงไปหนึ่งองค์คดีหรืองไงหนึ่งองค์คดี <S 2> 2 <S ส, อสององค์ครีคือเงาแดดนะเงาแดดเลยไปสององค์คดีได้เนีย้ยและเอาเกลือไว้ในแขนงสัตว์ได้และอะไรอีกนาะ มันมีสี่ข้อนี่แหละวัตถุสีประการอันนั้นม่วงจะถอดถอนอะ่ะอั น, นม่วงถอดถอนนั่นคือผิดไม่ได้ผิดพุทธบัญญัตินะไม่ได้ผิดตรงที่บอกว่าเธอพึงถอดถอนสีขาวบทได้อนนไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตไปแล้วแต่ผิดอยู่ที่คําของพระหัตถสปักประกาศไว้ที่สงลงมติกันในเวลานั้นอย่าลืมว่าหลังจากผู้องค์ปุทธิพันธ์แล้วสงมีอานาจที่สุดเป็นอำนาจสูงสุดพระเจ้าไม่มีมอานาจแล้วนะ อำนาจพิองทรงทําไว้ทําไว้หมดแล้วยู่ในรูปแบบทรรมวินัยเราจะประพฤติตามอำนาจนั้นหรือไม่ประพฤติตามอำนาจนั้นขึ้นอยู่กับเราเมื่อเราประพฤติผิดนั่นก็หมายถึงว่าผิดจากอำนาจสงฆ์อำนาจสงฆ์ที่ชี้ขาดไปแล้วว่าจักไม่ถอดถอนภิกษุวัดชีบุตรที่มุ่งจะถอดถอนก็เลยเป็นเหตุให้มีการพยาศรรกากะกันพระบุตรนี่แหละได้เป็นผู้ยกเรื่องขึ้นสูง การสังคา ย, ยนาครั้งที่สองอีกจนล่วงเลยมาจนถึงยุคสมัยของพระเยาอดโศกภิกษุยึดถือธรรมวินัยกันผิดมากผิดเพี้ยนกันไปเยอะก็ทําสังคา ย, ยนาอีกครั้งที่3านี่สังคา ย, ยนาทั้งสาครั้งครั้งทําเพื่อให้ทําเพื่อมาวินัยในยุคสมัยของพระมหากรสปะได้ถูกรักษาถูกต้องตรงกันและใช้ทำมาวินัยร่วมกันอย่างถูกต้องเนี่ยคือความเป็นไปเป็นมาของพุทธศาสนาใน ประเทศสยามแล้วได้ถูกกล่าวว่าเป็นเถรวาทะเป็นเถรวาดผู้ยึดถือวาท่ของพระเถรเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อเรายึดถือวาท่าของพระเถรพระมหากัสปะเป็นใหญ่นั้นเราก็ต้องมารู้จักทัศนคติที่ทําให้เราได้มีทิศทางเป็นไปอันเดียวกันไม่ใช่เห็นความประพฤติของพิสุย่อดยอนตร แล้วนําเรื่องราวนั้นไปโพลนธนาว่าเก่าวและเก่าวโจมตีกันและกันในหมู่ของสาวกเองพระเจ้าไม่ได้ชอบใจอย่างนั้นในขณะพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ไม่ได้ชอบใจอย่างนั้นแต่การทําเรื่องร้องเรียนไปถึงสงแล้วให้สงพิจารณาความผิดความถูกเรื่องราวเหล่าใดแล้วสงพี่นาแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเทียบเทียงแล้วมันอยู่ในทางหลักธรรมเหล่านี้นข้อไหนที่จะสามารถ อนุญาตหรือห้ามโดยหลักธรรมหลังวินัยแล้วเพื่อความเอื้อเฟื้อนั่นสงก็ประกาศออกมาแต่สงทุกวันนี้คือมหาเทรสมาคมไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านแล้วทําไงที่นี่ว่าจะเอาสงไหนล่ะแล้เราก็มีสมเด็จพระสังฆราชอยู่นี่ใช่ไหมล่ะเมื่อไม่ศรัทธามหาเทระสมาคมก็ศรัทธาสมเด็จพระสังฆราชส่งเรื่องไปถึงสมเด็จพระสังฆราชก็ได้แต่ก็อีกนั่นแหละพรอสมเด็จพระสังฆราชก็จะสั่งการไปทำมหาเทระสมาคมอีกนั่นแหละ พอมหาเถรสมาคมก็คือองค์องคคณะสงฆ์ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนความเป็นสงฆ์ความเป็นศาสนาเนี่ยจะว่ายังไงเลยที่นี้การที่เรามาพูดให้กันว่าให้กันแต่อันที่อาตมาพูดพูดแต่ละอย่างที่สะท้อนออกมาให้เห็นความเป็นยิ่งของสังคมอ น, นั่นอาตมาไม่ได้พูดให้ใครอาตมาพูดเพื่อแก้ไขทิฏฐิคือความเห็น ที่มันงมงายที่มัเป็นความผิดในสิ่งที่คนเป็นอยู่มันแตกต่างจากการที่เห็นโทษของพระภิกษุแล้วนํามาโจดแล้วนามาโพลธนาว่าเก่าออกสื่อกันอย่างนั้นอย่างนี้มันแตกต่างกันไม่ใช่อเดียวกันและอยากแยกให้ออกว่าการทําความผิดกับการถอดถอนสีขาวบทไม่ใช่อเดียวกันไม่ใช่ว่าคนที่ทําผิดแล้วในสีขาวบทคือผู้ที่ถอดถอนไม่ใช่ภิกษุไม่ประสงค์จะถอดถอนอันนั้นอ่ะ ถึงไม่ถึงจะไม่เป็นผู้อยู่ในผู้ถอดถอนนะไม่ได้เป็นผู้ผิดในในคำของสงฆ์แต่ผิดในโทษหากว่ามีพิสูจนผู้ประสมจะถอดถอนขึ้นมาคนใดคนหนึ่งในยุคนี้เราจะต้องนําเรื่องของพิสูจนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะถือเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แล้วนําเรื่องของพิสูจนนั้นเข้าสู่ถาำการสงฆ์แล้วทําการสังข า, ารานาถึงจะชอบทํา หากว่ามีพิสูจแสดงตนเองขึ้นมาว่าประสงค์จะถอดถอนอะไรเงี้ยก็มีนัะพิสูจน์แสดงทศนะขึ้นมาโดยยกเอาคําของพระพุทธเจ้าขึ้นมาว่าสงหวังอยู่ก็พึงถอดถอนสีขาวบทตา น, นี้เขายกขนอันนี้ขึ้นมาแต่อย่าลืมนะพระุทธเจ้าปี้ได้พานแล้วหมดแล้วนะหมดสิทธิ์แล้วแต่สง ม, มีสิทธิ์เต็มที่ในศาสนานี้นะหมายถึงการการดําเนินไปของสงนะไม่เกี่ยวกับว่าแตศาสนานะ่ยพระองค์ยังมีสิทธิ์เต็มที่ในความเป็นเจ้าของศาสนา นะเป็นศาสดานั่นเองเรายังยกพุทธองค์เป็นพระศาสดาอยู่พิสูจที่แสดงทัศนะขึ้นมาว่าพึงหอดถอนเราควรจะนําเรื่องเนี้ที่พิสูจกล่าวทัศนะเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องต้องเขาเรียกว่าประกาศให้เป็นที่รับรู้รับทราบทั่วไปเลยว่ามีเสี้ยนน้ำเกิดขึ้นเหมือนกับพระมหากัะสาประกาศในสุธธนภทะบุติบรรพชิตที่บอกว่าเออพระศาสดาปรินิพพานได้แล้วก็ดี ไม่มีคนมาคอยจําจีจําชัยเราสีข้าบทอันก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนู้นก็ห้า ม, นนามดีแล้ววันนี้พานได้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเข้มหา ก, กสปาได้ยินนะครับปุ๊บนําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดท่ามกลางสงเลยว่าโอโ้โหทุริจ้าแค่พันนี้พานแค่ไม่กี่วันก็มีเสี้ยนน้ำเกิดขึ้นแล้วต้องพูดอย่างนี้เลยต้องประกาศท่ามกลางสงอย่างเงี้ทีนี้เราต้องในกรณีเดียวกันนะเราต้องนําเรื่องเนี้หรือทัศนะที่พิสูจนแสดงว่าสงสามารถเถาะถอนสอ่ง ผู้ที่เจ้าเรียกให้สงฆ์สามารถถอดถอนสีขาบทได้นั่นนมายถึงว่าภิกษุผู้นี้ประสงค์จะถอดถอนสีขาบทด้วยเจตนาจริงๆเอาสู่ท่ามกลางสงฆ์ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยแล้วทําการสังขยนาอันเนี้ถึงจะถูกต้องแล้วะตมมาก็เห็นชอบอย่างนี้เห็นชอบให้ทําการสังขยนาด้วยคำว่าสังขยนาไม่ใช่สังขยาแต่ทำมาวินนะัยนะสางขยาาพระทั้งประเทศทั้งประเทศในแผ่นดินไทยนี้ สังขยาบทเลยคําว่าสังขยาหมายถึงอะไรเราก็ต้องไปมองว่าสังขยาทำวินัยหมายถึงอะไรคําว่าสังขยาหมายในทำวินัยหมายถึงการทําให้ทำกับวินัยสอดคล้องกันไปไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องตรงกันทั้งในธทำและวินัยวินัยพระองค์จึงบอกว่าสอบสวนในพระธรรมสอบสวนในพระวินัยสอบสวนในพระสูตรให้เข้ากันตรงกันสอบสวนดูได้แล้วว่าถูกต้องตรงกันนั้นจึงปร่งใจเชื่อว่าเป็นคําของพระศาสดาจงยึดถือไว้จงสืบทอดต่อไป จงทรงจําและยึดถือปฏิบัติตามนั่นคือการสังขยาธรรมในวินัยทีนี้ต้องสังขยาสงฆ์พระสง์ด้วยว่าสงฆ์จะต้องมีพฤติกรรมให้สอดคล้องกับธรรมวินัยด้วยนั่นถึงจะเป็นประโยชน์ในการทําสังขยาแต่การมาออกสื่อกล่าวหากันว่าสงฆ์ผาสงได้ถอบถอนสีขาวบทโดยประพฤติผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันมันไม่ใช่เรื่องและเป็นระดับคณาจารย์ ชั้นสูงไม่ไม่ได้ขบคิดให้มันดีและให้ความหมายคําว่าภิกษุเขาบอกว่าภิกษุคือผู้เห็นภัยในวตาสงสารนะบอกว่าภิกษุมีภิกขุหรือภิกขุภิกษุเนี่ยแปลว่าผู้เห็นภัยในวตาสงสารหากชาวบ้านเป็นผู้มีภัยเห็ น, หนภัยในวตาสงสาร ชาวบ้านนะผู้ประพฤติธรรมอุสปสมบทศีกานี่แหละเห็นภายในวัตะสงสารและประพฤติธรรมชาวบ้านนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุหรือภิกขุในความหมายนี้ด้วยการตีความหมายอย่างนี้อันตรายมากๆอันตรายอย่างยิ่งเลยแหละทำลายคําสอนของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวหากไปตีความหมายว่าภิกขุหรือภิกษุรวมไปถึงชาวบ้านผู้เห็นไว้ภายในวัตะสงสารด้วยงั้น ในข้อธรรมที่พงษ์ทรงตัดไปว่าโยปนภิกขุจาตรูปะระชตังอุกัญเฮียบาอุกัญห้าปเปียบาเปรนิกิตังว่าสาดิยะยะนิสกิยังปาจิตยังอันึงภิกษุใดคือผู้เห็นภัยและในวัตาสงสารตามความหมายที่คณาจารย์ท่านนั้นได้ให้ความหมายไว้ภิกษุใดก็ต้องหมายถึงว่าชาวบ้านด้วยรับก็ดีให้คหนอื่นรับก็ดีหรือยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อตนก็ดีต้องนิสกิยาปาจิตตีชาวบ้านก็ต้องอาบัติข้อนี้ด้วย ชาวบ้านที่เห็นภัยในวัตะก็ต้องยึดถือธรรมที่ในนี้ถ้าเห็นภัยในวัตะก็ต้องไม่มีเงินไม่มีทองถ้าเห็นไภัยในวัตถะจริงแต่ชาวบ้านนั้นเป็นคณาจารย์ท่านนั้นก็ยังมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นของตัวเองอยู่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยวัตถะจริงแม้จะประพฤติธรรมสูงสงแค่ไหนก็ตามรู้อภิธรรมแยบยลแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตะสงสารจริงเพราะยังมีเงินมีทองอยู่เข้าใจไหมชาวบ้านหรือข้าเืงหัดใดก็ตาม ยังยินดีในเงินในทองยังไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวตาจริงถ้าเห็นภัยในวตาจริงก็ไม่เอาหลอกเงินน่ะใช่ไหมจะเอาไหมงเงินมันไม่เอาคนที่เห็นภัยในวตานู้นเขาไม่เอาเงินหรอกนะแม้ภิกษุเองก็ตามเป็นภิกษุไม่ได้เห็นภัยในวตาก็ยังยินดีในเงินทองเหมือนเดิมมันแหละเนี่ยก็เลยกลายมีภิกษุเป็นผู้แสวงหาเงินหาทอง กลามีญาติโยมบาสุกบอิการในพุทธศาสนานี้แสวงหาเงินแสวงหาทองทั้งฝ่ายภิกษุเองผู้แสวงหาเงินหาทองฝ่ายข้าราชการผู้แสวงหาเงินหาทองรวมอยู่ด้วยกันในอาวาสเดียวกันหรือในธุรกิจเดียวกันก็กลายเป็นพุทธพาณิชย์ขึ้นเพื่อหาเงินหาทองศาสนาเราก็โน้มเอียงไปในเรื่องหาเงินหาทองบริจาคเลี้ยอะไรสมทบทุนสร้าง อะไรละต่างๆพุทธลูกเครื่องรางวัตุมงคลผูกเศกลงทุนอง์ละ50บาทเอาไปตั้งขายอง์ละ1้9ยามีเคยมีคนมาชวนตอนนั้นพรรษาที่สองหรือสานี่แหละพระอยู่ในกรุงเทพมาชวนให้ไปร่วมกันทำเหรียญหาผงนั่นหาผงนี่ที่มีด้านพุทธคุณดันคุณอะไรต่างๆนี่แหละ ความเหรียญเขาบอกลงทุนองค์เนี้ยลงทุนจริงๆแล้วนะ่ะสิบบาทนะแต่เอาไปเช่าบูชาเท่าไหร่99สบ้าบ้างและองค์ที่เนื้อที่สูงขึ้นอีกลงทุนร้อยบาทเอาไปเช่าบูชาเท่าไรร่อย9ส้าคุ้มเกินคุ้มอโอ้คนคิดพัด้วยนะคิดแล้วก็มีทีมของโยมทำร่วมกัน อาตามาเป็นฝ่ายปุกเส <c oughs> แม่เข้ากันดีเหลือเกินแต่ปรากฏว่าไม่เอาเรารู้สึกว่าเหยียบจิตเหยียบใจพุทธเจ้าเกินไปถ้าทำอย่างนั้นอันนี้แหละพูดให้ฟังเพราะเห็นพูดกันเยอะมากทางฝ่ายอภิธรรม ท, ท, ที่ที่ที่ที่ได้ยินมาอย่างนี้กับฝ่ายพิสูุ รูปหนึ่งที่ท่านแสดงทัศนะเ ร, เรื่องการถอถอนสีขาวบทโดยยกคําของพระเจ้าขึ้นมาว่าสงหวังอยู่ก็ถอถอนสีขาวบทได้เหมือนกับว่าอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนี้โน้ท่านดูท่านอยากจะใช้สิทธ์ตรงนี้เต็มที่เลยเนะี่ยอยากจะถอดถอน <laughs> กับอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าสงทําผิดก็ท่ากับว่าสงถอถอนสีขาวบทเนี่ไยไปกันคนละเรื่องเลยคนเรียนรู้พุทศาสนาทุกวันนี้ทําไมเป็นกันนี้ไม่รู้ว่อ ถ้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นท่ามกลางเข้าใจไหมคําว่าท่ามกลางนี่หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยจริงเป็นจริงโดยส่วนเดียวแต่จริงๆเป็นจริงโดยส่วนเดียวนั่นแหละแต่พระองค์ไม่ได้บอกคนอื่นบอกว่ามาอะไรศาสนาเราเท่านั้นที่จะทําให้พนทุกได้พระองค์ไม่เคยบอกดังที่พระองค์ทรงตัดไว้กับพระสุดพัทธ ปริพาชกก่อนตัสสุในเป็นปริภาชกที่เป็นอัคระ เ, เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่สุภัทธาปริภาชกกราบทูลถามผู้โตองค์ว่าศาสนาไหนมีสาระเข่นสาราพระพุะเจ้าข่าศาสนาไหนเป็นข้อปฏิบัติและสามารถเข้าถึงสาระเข่นสารได้พุทธเจ้าก็ทรงรู้อธิยาศัยว่าปริพาชกผู้นี้สุภัทธาเนี่ยไปมาหลายรับพิไปมาหลายหลักคําสอน ก็ตกลงใจไม่ได้เพราะหลั ก, ลกคาสอนแต่ละรัฐีเขาก็บอกว่าเขาเป็นอรหันต์เขาก็เป็นผู้สิ้นรมาศกิเสลสรัฐีนุ่นเขก็บอกว่าเขาก็ถึงธรรมที่สุดแล้วแล้วก็เขา้าถึงอมตะธรรมแล้วแม้แต่ศาสนาพุทธเจ้าเองเราก็โพล ก, ก็บอกว่าพวกเป็นสมาสมพุทธ ة, ะอรหนันตสตระมาสมพุทโธเป็นผู้ตัดสูตชอบได้โดยพวกเองต่ Beyonce, างฝ่ายก็ต่างก็อวดอ้างสรรพคุณมาตัวเองเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นเข้าถึงนิพพานได้ถามนีคือไปศาสนาอื่นมาหมดแล้วเหลือแต่ศาสนาพุทธเนี <that> ่ย temu, คือพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปถาม ในไหนโพลกับผลิตภัณฑ์แล้วอย่าเสียโอกาสเลยเข้าไปถามดีกว่าเข้าไปถามเลยที่นี่ว่าศาสนาไหนมีสาระแก่นสารพระเจ้าข้าผู้ย่อก็บอกว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามศาสนาต่างๆที่มีโลกจะเป็นศาสนาไหนก็ตามหากศาสนานั้นมีมรรคแปดมีสมาธิิมีสมาสังกัปปะมีสมาวาจามีสมมากามันตะมีสมาชีวามีสมาวามะมีสมมาสติมีสมาสมาธิศาสนานั้น จะมีสาระเกศสารจะเป็นศาสนาไหนก็ตามลัทธิใดก็ตามข้อปฏิบัติใดก็ตามหากมีมักแปศาสนานั้นจะมีสาระเกศสารสุภะทาปริภาชกก็มีสติมีปัญญามีความรู้ความรอบรู้ในในหลักคําสอนแต่ละลัทธิอยู่แล้วเนี่ยก็เพ่งดูที่เนี่ยลัทธิอื่นที่ตัวเองไปมาไม่เคยมีมักแปดอ๋อมีแต่ศาสนาพุทธนี่เป็นมักแปดพวกมาเดียวบอกนะว่าศาสนาเรานี่แหละมีสาระเกศสารพวกมาเด้ยว่านะ ผู้บอกจะเป็นศาสนาใดก็ตามเห็นไห ม, มพูดเป็นกลางๆเลยนะกลางๆให้บุคคลผู้รับฟังตัดสินใจเอาเองล่อดูอะไรนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมานับถือพุทธศาสนาคนนั้นน่ะจะต้องตัดสินใจเอาเองในการนับถือไม่ใช่ถูกชักชวนให้นับถือถูกล่อลวงให้นับถือทุกวันนี้เราถูกล่อลวงให้นับถือเอาพุทธรูปมาล่อลวงเอาวัตถุมงคลมาล่อลวงเอาของปลุกเสกมาล่อลวงให้นับถือให้ผูกติดอยู่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ เราก็ไม่น่าถือศาสนาอื่นหรือขนาดมีสิ่งล่อลวงขนาดนี้ตั้งมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดยังมีคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเลยใช่ไหมนั่นคืออะไรมันไม่มีแก่นสารนั่นเองเข้าใจไหมทํำยังไงเราถึงจะให้สามารถทําให้ให้ศาสนาธรรมของเรามีแก่นสารตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราควรจะกระทำไม่ใช่ป้าว่าเก่ากันหรือหัดก็ใบพระพระก็เก่ า, า, า, า, า, าตำนีโยมโยมยุ่งอะไรกับพระอะไรเพวเนี้มันก็ไปกันแต่ละเรื่องไปที่นี่ศาสนา มันก็เปแสดงออกแต่ความเป็นตัวตนของใครข้องมันตรงเนี้เพราะฉะนั้นปัญหาของพุทธศาสนามีเยอะแล้วแต่คนในศาสนาไม่เคยสะสางปัญหานี้ออกไปมีแต่สร้างภาระให้กับศาสนาที่ทําให้เกิดก๊กเกิดเหล่าเกิดกลุ่มเกิดก้อนกลุ่มก๊กของอุบาสกอุบาสิกาผู้เรียนธรรมที่ในระดับสูงรู้ดีกว่าพระประเภทรู้ดีกว่าผ้านี่แม่ ผมพระได้ดีมากเลยด้วยวาทะด้วยความรู้ด้วยยกคำสอนผู้เจ้ามาพูดชัด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆได้ทุกบททุกตอนแต่ไม่รู้ในสิ่งที่เองนํามาพูดนั้นว่าทําลายคําสอนพู้เจ้าโดยดไม่รู้ตัวตีความหมายคําว่าภิกษุผิดถือว่าทําลายพุทธศาสนาด้วยนะเพราะคำว่าภิกษุไปรวมถึงแม้กระทั่งญาติโยมผู้เห็นภัยในวัดตาสงสารว่าเป็นภิกษุด้วยไปกันคนละเรื่องเลยทีนี้แล้วคนที่พูดนั้นไม่ใช่คนธรรมดาธรรมานะ เรียนอะพี่ทำมานานแล้วนะหลายสิบปีเป็นคณาจารย์ด้วยอาตมาฟังแล้วอาตมายังงงเลยาโอ้โหระดับนี้ยังพูดผิดอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้อย่างเงี้ยผิดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของาศาสนานี่เป็นเรื่องราวที่แยียบคายมากๆเลยนะเราทำยังไงถึงจะเราเราสามารถมองเป็นกลางได้ทำให้เป็นความเป็นสายกลางได้ หากทางสายกลางมีอยู่แต่เราไม่สามารถทำให้เกิดเป็นความเป็นสายกลางได้มันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอาตมาาก็พยายามทำตลอดแต่ก็มีคนมาจับผิดอาตมาว่าสิ่งที่อาตมาทำสุดโต่งไม่ใช่สายกลางมันจะสุดโต่งไปได้ยังไงนี่กลางที่สุดแล้วนะกลางกลางไหมสอาตมาพูน้นี้คือกลางแล้วนะ ไม่อยู่ในฝ่ายผู้ที่ประสงค์จะถอดถอนสีขาวบทไม่อยู่ในฝ่ายของบุคคลผู้อะไรไม่อยู่ในฝ่ายของบุคคลผู้ทำลายทาลายพระธรรมด้วยการตีความหมายหลักคำสอนผิดอยู่ในฝ่ายเป็นกลางคือพี่นาเอามันได้ยินได้ฟังมาเนี่ยได้ยินมากับหูเนี่ยได้เห็นมากับตาว่าในคมพูดคำกล่าวนั้น พูดออกมาจากท่านผู้ทรงความรู้นี้ได้ยังไงเป็นคณาจารย์สอนคนทั้งประเทศแต่ก็ไม่เป็นไรแนหะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กันทุกคนอาตมาก็เคยผิดพลาดไม่ได้ว่าที่พูดนี้ไม่ได้ว่าว่าท่านเสียหายอะไรนะท่านก็นโอ้โหดีมากธรรมะอภิธรรมสอนที่ทําดีมากแต่ความผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดหากท่านเป็นนักปราชถนจริงท่านต้องยอมรับว่าผิด พออาตมาเองอันไหนผิดอาตมาก็ยอมรับตัวเองอยู่เสมอว่าผิดผิดจริงคือผิดคือผิดจริงๆดูดูความผิดแล้วมันผิดจริงๆไม่ใช่มันมันโน้มเอียงเหมือนจะผิดแต่ยังไม่ผิดก็เป็นลงความเห็นว่าผิดอันนั้นอ่ะไม่ยอมแต่อันผิดคือผิดการตีความหมายว่าภิกษุหมายถึงรวมโยมผู้เห็นาภัยนภาตาด้วยน่ะถือว่าผิดอย่างยิ่งเป็นความผิดชัดๆเลยอันนี้ชัดเจนเลย ต่อไปจะเป็นการตอบคำถามส่งมาจากเบลเยียมจากสุชาตาแมสแมสแมสีเติมเขาไปเองอะ่ะในนี้ไม่มีข้อ1จะปฏิบัติอย่างไรให้มีอินซีแก่กล้าเอาทำไงให้มีอินซีแก่กล้าทำไงให้มีอินซีแก่กล้า ปลาลดความเพียรทำให้ปลาลดความเพียรอินซีแก่ก้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอต้นไม้เราปลูกออกลูกออกมาถึงเวลาแก่มันแก่ไหมถึงเวลาสุกมันสุกไหม ถึงเวลาล่วงมันล่วงใช่ัหมสุกแล้วก็ร่วงรุนคาจาต้นทาไงให้มันถึงแก่ก้าเนี่ยทำไงถ้าบอกว่าต้องไปปลาลบความเพียนก็เอาอีกแล้วผิดอีกแล้วถาม่าการปลาลบความเพียนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหม เราต้องทําอยู่แล้วปา ร, ร์ลกความเพียรต้องทําอยู่แล้วในในหลักการปฏิบัติต้องทําอยู่แล้วถ้าไม่ปาร์กความเพียรก็ไม่รู้จปะปฏิบัติทําไมเพราะการปฏิบัติ ต, ต, ต้องอาศัยการปาร์ลกความเพียรแต่จะทํายังไงให้แก่กล้าอะไที่นี่อินทรีย์นะทำยังไงสมมติว่ า, วา ป, ป ล, ออลูกปลูกมะละกอขึ้นมากี่กี่เดือนมันออกผลอะ อ๋อมันออกอมันออกลูกมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้มันแก่ตอนนั้นเลยได้ไหมล่ะทำยังไงไมไ่ไม่ ไ, ไ, ไม่ทำเออรอวันการรูออ้จักรอวันรอเวลานั่นแหละจะทําให้อินทรีย์แก่ก้าแต่การที่ไม่รู้จักรอวั น, นอ่ะโอเมื่อไหร่มันจะแก่เมื่อไหร่มันจะแก่ก็อยากจะตาส้มตําแล้วทีนี้รีบปิดลงมาก่อนก็ได้กินมันอ่อนๆ น, นั่นแหละมันก็ไม่ได้แก่มันไม่มีรสชาติอะไรมากมาย กินขมๆไปคือรอเวลาบ้างเข้าใจไหมไอ้รู้นะรู้ไอ้ปฏิบัติก็ปฏิบัติทําไปแต่อย่าให้มันอยากจะรู้ก่อนที่ความรู้มันจะเกิดรอเวลาบ้างถึงเวลามันแก่กล้าขึ้นมามันจะมันจะแก่กล้าของมันเองแล้วตอนที่มันแก่แล้วมันกล้าเนี่มันก็กล้าจริงๆนะกล้าแบบกล้าท้าทายไปทั่วทุกโลกกาธาตแดนโล ก, กาธาตุเนี่ มันไม่ได้กลัวกระตออะไรเลยไอ้ตอนที่ยังไม่ได้แก่นี้ก็ยอมยอมทําไปแบบที่เคยทําอย่างเงี้ยสะสมสะสมสะสมส ะ, สะสมสะสมเหมือนกับว่าต้นมะละกอก็ต้องดึงดูดสารอาหารไม่ใช่ว่าพอมันออกลูกแล้วต้นมะละกอกบอกว่าเออไหนไนลูกก็ออกแล้วกูหยุดดูดสารอาหารแล้วถามว่าลูกมะละกอที่นอ่อนเนี่ยมันจะแก่ได้ไหมมันก็เหี่ยวลงแล้วก็ร่วงจากพื้น ร่วงร่นร่วงร่นสู่พื้นร่วงร่นสู่พื้นเหมือนกันเราก็ทําที่เราเคยทํามาทั้งแบบเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทําไปสะสมไปรอวันรอเวลารอวั น, ร อ, ว น, ร, อวนรอคืนพทธเจ้ายังปล่อยให้พระราหุนรออินทรีย์แก่กล้าเลยปล่อยให้พระอานุลรออินทรียแก่กล้านวนแหละพองรู้ว่าอินทรีย์จะแก่กล้าตอนหลังจกากโภพนี้ผ่านแล้วอานุลถึงจะอินทรียแก่กล้า ขั้นขนาดระดับพระอานอนท์นั่นน่ะพระราหุนพงศ์ไปประทานกรรมฐานให้พี่นาถัดกรรมฐานสีพระราหุนก็พี่นาถัดกรรมฐานสีจากนโ้นพง์ก็เสด็จไปเลยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยุ่งอีกเลยนะเพราะพงศ์บอกว่าแม้พงศ์จะเสด็จมาเป็นร้อยครั้งพระลาหุนก็ไม่เพิ่มระดับขึ้นหรอกก็มันยังไม่แก่กล้าพออินทรีย์แก่ก้าปับ๊บพระพุทธเจ้ารู้เถนดนี่อินทรีย์แก่ก้าแล้วรอวันรอคืนจนเติบโตมา อินทรีย์แก่กายแล้วปับมาในแสดงทําให้ฟังโพ้ค่ะอินทรีย์แก่กาก็เพิบทันทีเลยเห็นไหมพุทธเจ้ายัางรอเลยเร่งไม่ได้ธรรมชาตินี้เร่งไม่ได้ให้เป็นไปตามวันเวลาวันเวลาที่จริงของจิตไปสร้างความเข้มแข็งขึ้นเท่ากับสร้างตัวตนสร้างอัตตาครอบงาจิตให้จิตมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ตนเองเข้มแข็งนะ รู้สึกบางอย่างว่าตัวเองมีความเข้มแข็งไปสร้างขึ้นพอรู้สึกว่ามีความเข้มแข็งขึ้นมาปุ๊บยึดอาการแห่งความเข้มแข็งนั้นว่าอวกเกิดความอุ่นใจเบาใจแต่ทําลายความรู้ของจิตจิตไม่ได้มีความรู้เพราะฉนั้นจิตอ่อนแอก็ต้องรู้จักจิตที่อ่อนแอว่านี้จิตกําลังอ่อนแอเท่านั้นเองไม่ต้องไปแก้มันจิตเกิดความกลัวก็รู้ว่านี้จิตกําลังกลัว จิตเกิดความท้อแท้ก็รู้ว่าจิตกำลังท้อแท้จิตเกิดความวุ่นวายก็ให้รู้ว่าจิตกำลังวุ่นวายจิตสง บ, บก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นจิตหนึ่งที่กำลังสงบทุกอย่างมีเหตุปัจจัยของมันทั้งนั้นอ๋อมันสงบเพราะเหตุนี้มันวุ่นวายเพราะเหตุนี้มันอ่อนแอเพราะเหตุนี้มันกลัวเพราะเหตุนั้นแค่นั้นเพราะอะไรเราทาอะไรกับจิตไม่ได้เอาแล้วคาสอนที่บอกว่า บุคคลผู้รักษาจิตจาก้นบ่วงแห่งมารได้รักษาจิตคือรักษาอย่างไงไม่ให้จิตรับอารมณ์เลยเหรอไม่ให้จิตกระทบกับอารมณ์เลยเหรอรักษาจิตนะรักษาอย่างไงคําว่ารักษาจิตรักษาจิ ต, จ ต, จตทําไงระวังร ะ, นะวงนะวังกระทบการกระทบไม่คําว่ารักษาจิตนี่คืออะไรระวังการกระทบ จะไประวังได้ยังไงภาษาไหนมาก็ต้องรับรู้ภาษานั้นจะไปไประวังยังไงไม่ให้กระทบเหรอรักษาจิ ต, ตใช่มันจะอยู่ในหลักของความเพียรคืออะไรด้วยระวังจิตไม่ให้ไปในด้านอากุศลระวังกุศลที่ ระวังกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตแล้วก็ละอกุศรนะลระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตในขณะที่จิตรับกระทบอารมณ์หมายถึงว่าเราจะอ่อนแอแค่ไหนก็ตามจิตอย่าเป็นอกุศลและละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหากมีกุศลเกิดขึ้นพ่อความอ่อนแอก็ละอกุศลที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมระวัง อันแรกนะระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นหากอากุศลเกิดขึ้นละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พยายามสร้างกุศลให้เกิดขึ้นและเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมนั่นคือการรักษาจิตที่ดีที่สุดทำได้แค่นี้แหละทำนอกเหนือ้อกว่านี้ไม่ได้นีเรื่องของจิตนะ ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มีไม่ ha, มีตัวตนให้ทําเพราะจิตไม่ใช่วัตถุที่ว่าอ้ามันวางอยู่อย่างนี้ถ้ามันจะกระทบอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็หยิบออกอย่างเงี้ยไม่ใช่มันหยิบออกไม่ได้มันเป็นนามเอาลมที่มากระทบก็เป็นนามนามกับนามกระทบกันมันก็คือนามกับนามมันไม่ใช่วัตถุกระทบกันแล้วแล้วก็แล้วแต่เราไม่แล้วเพราะอะไรเพราะเราพยายามเวลาอันที่ไม่ดีมากระทบปั๊บเราก็ไปเห็นอันที่ไม่ดีว่าเราเราเป็นในสิ่งนั้น มันก็เลยอยากจะเข้าไปแก้ไม่อยากให้จิตเราเป็นอย่างนี้อยากให้จิตเราดีจิตมันเที่ยงไมหมละ่ะเมื่อจิตมันไม่เที่ยงเราจะไปอยากให้มันดีได้ยังไงก็มันเป็นของมีเที่ยงอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันใช่ไหมนี่คือความเข้าใจจิตที่เราจะต้องเข้าใจการที่จิตมันเป็นตามที่มันเป็นแล้วเราไม่เข้าใจมันตัวนี้คือปัญหา ม, มากที่สุดของคนที่ไม่รู้จักจิตของตัวเอง จิตเป็นตัวของเราอยู่กับเราตลอดยิบสี่ชั่วโมงเราต้องรู้จับตัวจิตให้ถูกต้องนะตรงนี้แหละหมดแล้วคำถามไม่ต้องแก้แค่เข้าไปรู้ว่ามันอ่อนแอมันเข้มแข็งหรือมันสงบหรือมันวุ่นวายยังไงแค่แค่รับรู้มันแต่เป็นการรับรู้ด้วยปัญญานะไม่ใช่รู้ซื่อๆรู้ทื่อๆรู้เฉยๆรู้ตรงๆรู้ไม่ต้องคิดอะไรพนี้ย่ามาใช้คาพวกนี้ ได้ผลไหมมันก็ได้ผลในเรื่องอีกเรื่องหนึง่งคนลผลอันที่อาตมาต้องการประสงค์ใจให้เกิดที่อาตมาต้องการจะให้เกิดผลนั้มันเป็นคนผลอีกเรื่องหนึ่งผลในเรื่องคุณค่าของการเข้าถึงผลแห่งสาระประโยชน์ที่แท้จริงที่ต้องการให้เข้าถึงการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ตรงๆ ร, ร, งรู้ไม่ต้องคิดอันนั้นเป็นการเข้าถึงผลอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่ผลที่ต้องการให้เข้าถึงผลมีหลายผลไม่ใช่มีผลแบบเดียวกันหมด เพราะนั้นคนที่เข้าถึงที่เป็นผลที่เป็นสาระย่อมทาแสดงทําให้เราหลีกเว้นจากผลที่ไม่ใช่สาระเพื่อดึงเราไปสู่สิ่งที่เป็นสาระหมดคำถามเนี่ยประเด็นที่พูดที่อยากจะพูดก็พูดจบที่แหละ <c oughs> คนพูดเรื่องศาสนาทุกวันนี้เยอะแยะมากมายหลากหลายทัศนะหลากหลายความเห็นหลากหลายการกระทำบางคลก็มาถามพระอาจารย์เป็นพระอยู่ในแผนกไหนพระในศาสนาทําไมมีหลายแผนกกันเหลือเกินแผนกทาวัตถุมงคลก็มีแผนกปลกเสษก็มีแผนกสักยันต์ก็มีแผนกทําน้ํามนต์ก็มีแผนกแก้กรรมก็มี แผนกต่อชะตาก็มีแผนกก่อสร้างก็มีแผนกไหนอ่ะสงฆ์ชาวบ้านก็มีอนุคขสงฆ์ชาวบ้านเข้าไปแผนกพระอาจารย์อยู่แผนกไหนไม่เอาอะไรสักอย่างกับเ้าเลยไม่เอาอะไรสักอย่างกับเขาเลยพ <c oughs> ระ อ, อาจารย์อยู่แผนกไหนพระทำไมมีหลายแผนกจังดูคนในศาสนางงมันไปหมดแลทุก ว, วันนี้พระ คนผู้นับถือศาสนาเราเองก็เหมือนกันตีความหมายพระธรรมคาสอนไปเป็นคนละอย่างคนละเรื่องให้เป็นน้ทีิทางเดียวกันอันตรายแล้วก็ทำให้เกิดนม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกับว่าความรู้มันไม่ได้ช่วยให้คนมันมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นเลยหรือมีแต่ทาให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นไปในถ่ายเดียว ความรู้ระดับพระิธรรมความรู้ในระดับพระธรรมความรู้ในระดับพระบีในเรียนรู้กันในชั้นของพุทธวจนะก็เห็นเรียนรู้กันแต่พูดผิดกันพูดกันเต๊ไปหมดมเรียนพุทธวจนะเขามาเรียนพุทธวจนะเขาเขาเรียนที่ไหนรู้ไหมเรียนที่บาลีใช่ไหมเขาไม่ปเรียนคําสอนที่แปลแล้วนี่นะ ไอเรียนที่แปลแล้วเนี่ยเม่เรียนมาพุทธวจนะไอที่แปลมาเป็นตัวภาษาไทยแล้วไม่เรียกว่าพุทธวจนะเป็นคําแปลโดยคําไทยของเราเองซึ่งการแปลมาเป็นคําไทยมันเพี้ยนได้แต่เรียนพุทธวัจนะวจนะโดยตรงไม่เพี้ยนคือเรียนที่บาลีเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนพุทธวจนะต้องเรียนที่บาลีไม่ใช่เรียนที่คําแปลแต่ก็ มาเป็นโลโก้ว่าเรียนพุทธวจนะทั้งทั้งที่เรียนคําแปลไม่ใช่เรียนพุทธวจนะจริงแต่ก็มาใช้วาดเรียนพุทธวจนะเห็นไหมนี่คือการเข้าใจถึงความรู้ไ ด, ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ยึดความรู้นั้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้กับอะไรในศรัทธาของคนนั่นแหล ะ, ละจะหล่อร่วงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละเรื่องนั้น อันนี้อาตมาคิดเอาเองคิดว่าไม่ใช่ว่าคิดว่านี้ไม่ใช่ว่าจะถูกนะแต่คิดว่าอย่างนั้นเพราะเห็นอย่างนั้นเพราะภาพปรากฏอย่างนั้นแต่ไม่ได้ลงความเห็นว่าท่านผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ ไ, มได้ว่าแต่สิ่งที่ผิดชัดๆก็คือบอกว่าเรียนพุทธวจนะแต่ไปเรียนคำแปลนี่มันผิดชัดๆแล้วนี่ถ้าจะเรียนพุทธวจนะจริงต้องเรียนที่บาหลีหมายถึงว่าเปิดหนังสือพระไตรปิฎกบาหลีขึ้นมาต้องสามารถ รู้ได้ทุกคำในคำนั้นโดยไม่ต้องไปดูคำแปลนั่นคือเรียนพุทธวจนะอา้าไม่ปิดสักทีเนี่ยจะให้พูดอะไรอีกเนพอแล้วนี่พูดไปอย่างนั้นแหละอันนี้มันอันหลงัลงๆนี้บนนะนี่บนแต่อันพูดที่เป็นสาระหมดไปแล้ว หมดไปแล้ว